เรื่องสมเนินราหุลห้ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับณเมืองอารวีตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงโกสัมพีเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงโกสัมพีทราบว่าพระองค์ประทับอยู่นะพระธริการามเขตกรุงโกสัมพีนั้นภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับท่านราหุลดังนี้ว่าท่าน พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่าพิกษูไม่พึงนอนร่วมกันกับอนุปสมบันท่านราหลุลท่านจงหาที่นอนคืนนั้นท่านราหุลหาที่นอนไม่ได้จึงไปนอนในวัชกุดีครั้นเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคทรงตื่นบรรทมเสด็จไปวัชกุดีครั้นถึงแล้วจึงทรงพระกาสะแมท่านราหุลก็กระแอมรับใครอยู่ในที่นี่ ข้าพระพุทธเจ้าราหุลพระพุทธเจ้าข้าราหุลเธอมานอนที่นี่ทําไมทีนั้นท่านราหุลจึงกล่าบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันไดสองถึงสคืนแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ พระอนุบัญญัติ 51. อันหนึ่งภิกษุใดนอนร่วมกันกับอนุปสมบันเกิน2ถึงสคืนต้องอบัติปาจิตตีเรื่องสมณ น, นราหุลจบ